ความฝันจะเป็นดังใจอุปสรรคมากมายรวมฝันฝัาความท้อใจและเหนื่อยล้า Gone. จะเป็นดัง้ายลงตายปีกอันแข็งแรงประคองเธอ ไปอย่าได้วันแม้ทะลายจงพักก่อนเมื่อมีแรงจงสู้ไปเพื่อชทยจับมือกันไว้ก้าวไปพร้อมใจพ้นทางยาวไกลเท่าใดไม่วันจะมีฉันเคียงเธอจะมี I'm not afraid.